ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อทุกฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมกันในรายการธรรมรับอรุณทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังเรื่องของธรรมะที่อาศัยกันและกัน เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมีผลเกิดได้จากเหตุถ้าเหตุและผลเกี่ยวข้องกันอย่างนี้อันหนึ่งดับถ้าเหตุและผลเกี่ยวข้องกันอย่างนี้โดยเหตุที่ดับนั้นผลก็จะดับไปด้วยเรามาสร้างเหตุของการทำจิตให้เป็นสมาธิกันวันนี้โดยการตั้งสถิติขึ้นวิธีที่เราจะทำปฏิบัติในวันนี้นั้นคือการเจริญเมตตาภาวนา คือการพัฒนาจิตให้มีอารมณ์ประกอบด้วยเมตตาเมตตาคืออะไรทุกฝังคือความรักความปรารถนาดีที่เรามีให้กับสัตว์ทั้งหลายให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาได้อย่างไรท่านให้ตั้งสติไว้ทุกฟังใช้สติคือการระลึกได้ ตังเมตตาให้เกิดขึ้นในช่องทางใจของเราเรื่องนี้ก็เหมือนเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์อ่านหนังสือหรือได้ฟังเรื่องราวที่มันเกิดความซาบซึ้งใจทําให้เกิดความฟูใจรักใคร่อารมณ์เมตตก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราถูกไหมเล่นแปะว่าเราได้ฟังเรื่องราวมันมีการปรุงแต่งของจิตไอความเมตตาก็เกิดขึ้นเล่นเปลวไง เหมือนกับมารดาเวลาที่แม่ตั้งกันลูกคนเดียวท้องแรกเวลาลูกคลอดออกมาเผลนินไม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดไม่ว่าจะลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงมารดาคือแม่นั้นก็จะมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา ไม่ได้จะคิดเลยว่าโอ้ลูกทำไมทำให้ฉันต้องทรมานปวดท้องปานนี้นั่นนี่มองแง่ลบแบบนั้นไม่มีเลยมีแต่ความรักความเมตตาหมายถึงความปรารถนาดีอยากให้เด็กคนนี้ได้เจริญเติบโตดีต่อไปข้างหน้าตรงกันข้ามกันก็คือไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายอยากจะให้เด็กนี้เนี่ยมันทำฉันเจ็บปานนี้ให้มันได้ไม่ดีไม่มีเลย ไม่มีแม้เศษเสี้ยวหนึ่งของความคิดประทุสร้ายอยู่ในจิตใจแต่จิตใจนั้นเต็มเปี่ยะมไปด้วยความรักความเมตตาจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตานี้ให้เราตั้งไว้ตรงนี้เต็มเปี่ยมขึ้นความเต็มเปี่ยมนี้แบบว่าไม่มีหมดด้วยนะไม่ใช่ว่าเออให้สักสองสามหยดแล้วก็หมดไป หรือทําสักนิดหน่อยแล้วก็หายไปไม่ใช่แต่ให้ชนิดอย่างที่ได้เรียกเลยว่าไม่ต้องอัน้นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแพร่ส่งกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ให้ตัวเรานั้นเป็นเหมือนกับเสาอากาศให้ตัวเรานั้นเป็นเหมือนกับเครื่องส่งให้สมองสองด้าน ที่เป็นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเป็นเหมือนเสาสองเสาที่ท่งกระแสะแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปเริ่มจากตัวเราพอเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแล้วท่งกระแสะแห่งความเมตตานี้ผ่านทางกายออกไปแกสปรปสัตทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆตัวเราคนในครอบครัว บิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกน้องลูกสาวลูกชายพี่ชายน้องสาวญาติมิตรพี่น้องต่างๆให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้แฝ่ไปไม่ว่าบุคคล น, นั้นจะอยู่ในทางทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบน หรือเบื้องล่างทั่วทุกทางไม่เป็นใครๆไปเลยไม่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นเขาจะประพฤติดีหรือไม่ดีอย่างไรเราไม่ได้หวงกัน้นไม่ได้ตระนีความรักความเมต่านั้นให้ได้อย่างไม่ต้องหวังว่าจะเอาคืนให้ได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะหมดให้ได้อย่างชนิดที่ ไม่ต้องคิดว่าเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ได้เอาไปใช้ให้ไปเลยนอกจากให้คนใกล้ตัวแล้วขยายวงแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปออกไปสู่คนในหมู่บ้านคนในที่ทำ ง, งานคนที่วัดคนที่โรงเรียนเพื่อนร่วมทางต่อไปอีกจนถึงคนทั่วประเทศไทย ทั่วภูมิภาคเซาว์อีสต์เอเชียทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแผ่ไปจนถึงทั่วตลอดโลกทุกที่ต่างทั้งโลกมนุษย์เทวโลกมาราโลกพรมโลกจนถึงโลกของนอรกโลกของกิมเนิดเดรชานให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ทุกคนทุกประเภททุกตัว ตัวใหญ่หรือตัวเล็กเห็นได้หรือไม่เห็นจะมีสองเท้าสี่เท้าหรือไม่มีเท้าหรือมีมากเท้าก็ตามจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ขอจงได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้แพร่ไปอ้าล่ะตัมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบ กันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นการแจกแจงเป็นรายละเอียดที่ได้บัญญัติขึ้นได้เปิดเผยได้แต่งตั้งจำแนกเอาไว้ว่าธรรมะมีหัวข้ออย่างนี้รายละเอียดเป็นอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างนี้อย่างนี้ มีการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างให้เห็นทั้งแง่ขาวแง่ดำให้เห็นทั้งการนำไปใช้งานและส่วนที่เป็นทฤษดีเพื่อจะว่าให้ได้เข้าถึงการทำอย่างดีที่สุดตี่พระพุทธเจ้าท่านใดกาหนดบทพยัญชนะด้วยปัญญาอันยิ่งของด่าน ทรงต่อเวลาพูดแล้วมีคนจำไว้บอกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจนมีการลงอักษรบันทึกเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่ในประไตรปีปดทรงมาจนถึงพวกเราคำสอนเหล่านี้ถ้าเมื่อมีการเอามาศึกษาทำความเข้าใจแล้วนี่แหละเป็นมงคลตรรมบงังเป็นมงคล จึงในทุกวันพุธพระภิกษาก็จะมาพานำธรรมฟังนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังธรรมะกันแบบนี้ในช่วงของใต้ร่มโพิบทหัวข้อซีรีส์ที่เรากำลังมาทำความเข้าใจอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของธรรมะในหมวดที่ชื่อว่าปฏิจจสมุป บ, บาทเป็นธรรมะที่ว่าด้วยการอาศัยกัน แล้วจึงเกิดขึ้นเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราฉลาดในเรื่องนี้มีปัญชนั ก, กุศละจะสามารถที่ทำให้าศาสนานั้นตั้งอยู่ได้ตลอดกาละนานเป็นเรื่องราวที่ว่าถึงแม้จะยังไม่ฉลาดแต่อย่างน้อยเอามาพูดคุยกันอยู่เป็นประจำว่าเอมันเรื่องอะไรนะมันมีอะไรบ้างนะ นี่เป็นเรื่องธาตุเรื่องอายต น, นะและเรื่องปฏิจจสมุปาทที่ใหเอามาพูดคุยกันอยู่เรื่อยสั่งไว้เลยนะสั่งไว้เลยถ้าเพราอว่าท่านโมฟังไม่เคยฟังไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็เป็นหน้าที่แล้วว่าต้องเอามาพูดให้เกิดความเข้าใจสนใจเพื่ปฏิจจได้ทําความเข้าใจได้ถูก ให้ฉลาดขึ้นมาได้ในเอพิโซดนี้เป็นตอนที่3เป็นซีรีส์ที่จะเรียกว่าจบในตัวก็ว่าได้ดูฟังเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เคยฟังในเอพิโซดที่1หรือ2การแจกแจงการแยกแยะในเรื่องก่อนๆนั้นมันก็ซึ่งตาบอกว่าต้องมีข้อมูลที่นำมาใช้งานในเอพิโซดต่อไปตอนต่อไปข้าพเจ้าก็จะเท้าความสั้นๆให้ฟัง ในวันนี้ก็จะมาแจกแจงอาการหรือว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่าอาศัยกันเนี่ยมันมีหลายๆตัวเราว่ากันไปแล้ว6ตัววันนี้ก็จะพูดถึงจํานวนตัวที่เหลืออยู่เพราะว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแ ล, นแล้วจึงเกิดขึ้นตัวเป็นคู่เป็นคู่นอกจากคู่นี้เราก็มีคู่นั้นด้วย นอกจากคู่ของความทุกข์และความเกิดแล้วก็ยังมีคู่ของความเกิดและภพนอกจากคู่ของความเกิดและภพก็ยังมีคู่ของความยึดถือและภพนอกจากคู่ของความยึดถือและภพก็ยังมีคู่ของตัณหาและความยึดถือนอกจากคู่ของตัณหาและความยึดถือแล้ว มันก็ยังมีคู่ของความรู้สึกแล้วก็เจ้าปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบกันในคู่นี้ที่ว่าเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นมันยังมีต่อไปอีกบวางมันยังมีต่อไปอีกอันดับแรกก่อนหลักการต้องย้ำทบทวนซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าท่านใดไล่เลียงมา คือหลักการนี้ว่าพระอะไรมีอะไรจไริงมีพระอะไรเกิดอะไรจึงเกิดพระอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีพระอะไรดับอะไรจริงดับหลักการตรงนี้นะเป็นตัวแปรที่ว่าพระอะไรพระอะไรคือต้องเป็นตัวแปรที่ว่าแล้วมันอะไรล่ะเอาง่ายง่ายความทุกข์มันก็ความเกิดความเกิดมันก็ความเป็นสภาวะคือพบ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 พระพจ้าได้อธิบายทั้งอีพิโซดแล้วตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเมื่อสองตอนที่ผ่านมาวันนี้เรามาต่อว่าอหลักการตรงเนี้มันมีอะไรบ้างหลักการตรงนี้ที่ท่านคิดเนี่กระบวนการความคิดของท่านเริ่มจากจุดที่มีปัญหาซะก่อนถ้าไม่มีปัญหามันไม่ต้องคิดแก้ไขแต่ตรงไหนคือปัญหามันต้องคิดแก้ดูสิว่ามันจะยังไงมันเกิดมายังไงเพราะอะไรมีความทุกข์จึงมี พระอะไรไม่มีความทุกข์จึงจะไม่มีพระอะไรเกิดความทุกข์จึงเกิดพระอะไรดับความทุกข์จึงจะทับไม่ใช่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแต่เอาเรื่องแบบจริงๆว่าสําหรับทุกคนเป็นอยู่ได้ตลอดกาลไตรตรองด้วยปัญญาแล้วเพราะว่ามันคือการเกิดพรรคมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายไม่ใช่เอาทัวตัวไปตอนนี้เรามาถึงว่าเฮ้พระอะไรมีอยู่หนอ ความรู้สึกมันจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีความรู้สึกแล้วนะให้เจ้าความรู้สึกคือเวทนาเนี่ยถ้ามันจะดับไปเนี่ยมันต้องอะไรดับถ้ามันจะไม่มีมันต้องอะไรที่มันไม่มีให้เจ้าความรู้สึกจึงจะไม่มีเช่นเราบอกว่าฉันรู้สึกทุกข์นี่คุณรู้สึกทุกข์เพราะอะไรลมมันเย็นคุณมีทุกขเวทนาเพราะลมมันเย็นเอาถ้างั้น ลมเย็นเย็นดับไปเป็นลมร้อนคุณจะไม่ทุกขเวทนาปะไม่ลมร้อนเกินไปก็ทุกขเวทนาเหมือนกันอา้าวงั้นแสดงว่าไอ้เจ้าลมเย็นหรือลมร้อนมันไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุของทุกขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นเแล้วคนอื่นเขาลมเย็นเขาก็ไม่ดีเห็นจะทุกขเลยคุณร้อนๆอนมาโดนลมเย็นเย็นเออมีสุ ข, ขเวทนาด้วยซ้ํำอา้าวสุขเวทนางั้นก็มีลมเย็นเย็นเป็นเหตุ แล้วทำไมบางคน ก, ก็เป็นทุก่ะเรียกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ท่านก็คิดคนไตรตรองใครครวนด้วยปัญญาของดันไงคือตัวแปรเงื่อนไขนี่มันต้องเป็นไปตามหลักการเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกทำไมเราเบื่ถึงอยู่ตรงจุดนี้ได้เพราะวทุกอย่างมันมารวมลงที่เวทนาท่านผู้ังไม่ว่าจะทุกเวทนาสุขเวทนา หรือทุกขกัมัศุกบเวทนามันคือเวทนาด้วยกันใช่ไหมทุกทั้งมวลทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มารวมลงในเวทนาหมายความาเวทนาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยมันรวมลงในส่วนที่เรียกว่าเป็นความทุกข์อ๋อมันยังไงกันแน่นะมันอันไหนมันอันไหนก็นแนเราดูตรงนี้ทุบฟังว่าแล้วทุบฟังไปทํางานหาเงินเลี้ยงชีพหรือว่าอยู่บ้าน เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านธรรมดาหรือไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศหาอะไรกินที่มันอร่อ ย, ออยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพัมร้อเวทนาเอาพวกนี้เลยฟันตรงมันใช่เหรอท่านาลองกิดดูไปทำงานเนี่ยพระอะไรก็ได้เงินไงแต่เขาไม่จ้างเราจะไปทำทำไมใช่ปะละ่ะเอาได้เงินได้เงินไปทาไมเอาไปซื้อข้าวกินนะท่าน เรากินข้าวไปทําไมแต่ไม่ต้องกินข้าวไม่ได้เหรออ๋อมันก็หิวไงมันก็ต้องให้มันหายหิวมันกินข้าวมันก็อิ่มขึ้นมาอิ่มเนี่ยหรือหิวเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็เป็นความรู้สึกอะไรความรู้สึกที่ว่ามันสุขหรือมันทุกข์ไงอ่านี่ไงมันมารวมลงตรงนี้คุณําความสะอาดบ้านพระอะไรโห้สกปรกมัก็ไม่ดีแล้วทําไมไม่ดี โอ้ไม่ดีทั้งเรื่องสุข อ, อนามัยไม่ดีทั้งเรื่องบรรยากาศไม่ดีทั้งเรื่องดูก็ไม่ดีด้วยแะไอ้ที่ว่าไม่ดีจึงพยายามทำความสะอาดให้มันดูดีขึ้นมาเนี่ดีไม่ดีมันเป็นอะไรก็เป็นความรู้สึกอยากให้รู้สึกมันดีๆอ่าก็เลยอ่ะมันมารวมลงที่ความรู้สึกอีกคือเวทนาอแล้วคุณไปเที่ยวทำไมเท่ก็พ่อนคลายเนี่ยทำงานมาแล้วก็ไปเที่ยวดูนั่นนี่ ดูสิ่งแปลกๆดูความแปลกๆแล้วทำไมอยู่บ้านก็ดูไม่ได้เหรอดูได้ยุแต่มันก็ซ้ำซากจำเจเอา่าก็เนี่ยไอ้ความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกจำเจรู้สึกซ้ำซากรู้สึก ส, ส, ก ส, กสุขรู้สึกทุกข์มันมารวมลงกันตรงนี้เราทำอะไรก็ตามนะทุกฝังเพื่อที่จะหลีกหนีออกจากทุกขเวทนาให้ไปสู่สุขเวทนา เลียทุกรักสุขกันทุกคนทุกคนทุกคนเลยสัตว์นรกก็เหมือนกันสัตว์นรกสุขมันก็น้อยหน่อยทุกมันก็มากหน่อยเทวดาทุกมันก็น้อยหน่อยสุขมันก็มากหน่อยมนุษย์นี่ก็จะมีบางคนสุขมากกว่าทุกหน่อยบางคนก็จะทุกมากกว่าสุขหน่อยไอ้หน่อยเนี่ยคือมันพอๆกันสําหรับมนุษย์ เปรียบเทียบกับนรกหรือสวรรค์นั่นคือจะแตกต่างกันมากมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันอยู่แต่ว่าก็ได้ระดับหนึ่งไม่มากกันจนถึงขนาดนรกหรือสวรรค์สัพที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะเรียกว่าเป็นพอๆกันแตกต่างกันนิดหน่อยทุกอย่างมันจะมารวมลงอยู่ที่เวทนานี้เวทนาเนี่ยเรียกว่าเป็นความรู้สึกความรู้สึกคือเวทนา เราได้คุยกันแล้วว่าเพราะพอมีความรู้สึกในจงเวทนาเนีนะมันเป็นเหตุให้มีความอยากได้สุขกับเวทนาไม่อยากได้ทุกขกับเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตานาเล่ามาเมา่ก่อนว่าทำไมถึงมีตานาทำไมถึงมีความอยากเขาก็อยากได้สิ่งที่เป็นสุขไงไม่อยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์เวทนานี่มันจึงเป็นเหตุของตาหา ปัญหาเนี่ยอาศัยเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีปัญหาก็ไม่มีที่เรากำลังก็ไร้ควรวญพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเพราะอะไรมีเวทนาคือความรู้สึกจึงได้มีเวทนาความรู้สึกนี้เรารวมเอาถึงทุกเวทนาด้วยสุขเวทนาด้วยเวทนาที่ทั้งไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์ด้วยทั้งสามอย่าง ไม่ว่าจะถ้าแจกไปอีกอะก็เป็นทางใจด้วยทางกายด้วยอะในทางใจสุขเนี่ยเราก็เรียกว่าโสมนนะัสในทางใจทุกเราก็เรียกว่าโท ม, มันนะัสในทางกายเราก็เรียกว่าทุก์ในทางกายเราก็เรียกว่าสุขทั้ง5้ายอย่างสามอย่างหรือจะแจกไปในรายละเอียดได้อีกหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอะไรเป็นนีตมันมีอะไรเป็นปัจจัยเราจะแยกว่าสุขเวทนามันก่อเกิดจากอาหารอร่อย ทุกเวทนาเกิดจะอากาศร้อนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงอาศัยปัญญาที่มีความรอบค้อบไม่หละหลวมชัดเจนรัดกลุ่มรอบค้อบรัดกลุ่มนะดูฟังคือจึงไม่ได้วอาแยกแยะไปะทุกๆอันหนึ่งสุขว่าอันหนึ่ ง, นนงไม่ใช่แต่รัดกลุ่มรวบกันก็ามาว่าอ๋อมันเหมือนกัน ทุกเวชนาทุกเวทนาร่วมลงในความทุกข์เอามันมามัดรวมกันซะแล้วอะไรล่ะคือถ้าเราแยกกันเราจงงเลตรงฝังแยกสุกสายหนึ่งแยกทุกสายหนึ่งสายหนึ่งกู่หนึ่งเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันอีกก็ที่ทุกวันเราเถียงกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ในระดับบนโต๊ะอาหารน่ะเถียงกันบนโต๊ะอาหารเรื่องแตงกวานี่มันทําไมหวานหรือมันเค็ม แต่กว่าที่ไหนมันหวานหรือมันเค็มก็มันจืดเอา้าจนถึงเถียงกันไปจนในระดับสภาทั้งสภาผู้แทนทั้งวุฒิสภามันก็เรื่องนี่แหละสุขหรือทุกเนี่ยแหละเอาสุขหรือเอาทุกมาคนนี้ก็เห็นอย่างนี่ว่าทุกมันเป็นอย่างนี้ต้องใช้อันนี้แก้มาตรานี้ทําแบบนี้คนนี้บอกไม่ใช่สุขมันเป็นแบบนี้ต้องใช้มาตรานี้แก้ทําอย่างนั้นเถียงกันเนี่ย ก็เพราะว่ามันแยกกันให้เอาสุขทุกความเห็นไม่หลงกันอันนี้คือไม่รอบครอบไม่รัดกลุ่มยังมีความหละหลวมแต่โพริษัตถ์ทุกวังเปอนแต่ตอนที่ยังไม่รลุเป็นสมมาสมุทธเจ้าพระสมณโคดมของเราท่านด้วยความรัดกลุ่มราบครอบไม่หละหลวมมีความละเอียดประณีตเก็บทุกเม็ดทุกจุดจึงได้มัดไอ้เจ้าพวกนี้ รวมกันไม่สับสนแลน้วคราวนี้ว่าสุขทุกขะทุกข์กับมาสุขเนี่ยมันมีอะไรเป็นแดนเกิดมันเกิดมาได้ไงใครควญรคิดด้วยปัญญาของตัานแล้วเออจริงๆแล้วนะถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นสุขมากระทบมันก็จะเป็นสุขอะถ้ามันมีอะไรที่เป็นทุกข์มากระทบมันก็จะเป็นทุกข์ก่แะแต่มันมีอะไรที่มันไม่ใช่ใจะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์มากระทบมันก็จะมีความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละ อ๋อเลยระวังถึงบางอ้อเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเหตุของไอ้เจ้าสุขหรือทุกข์เนี่มันก็คือผัสสะมันต้องเป็นการกระทบกันสัมผัสเข้นมาได้ถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมากระทบสุขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มากระทบทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง ความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์มันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นไงมันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้คือปัสสะคือการกระทบซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแน่แต่ท่านสามารถด้วยความรัดกุมด้วยความรบอบครอบจึงกาหนดบทเปลี่ยนชนะแบบนี้ออกมาได้ไอจัหวะคนที่มันหลงเนี่ยนะ แล้วมันก็มึนเนี่ยแล้วก็ไปผิดทางเนี่ยมันคือตรงเวทนานี่เพราะมันเป็นที่รวมมารุมมาตุ้มของความรู้สึกของอารมณ์ของอะไรทุกอย่างมันจะมารวมลงอยู่ในเวทนาแล้วเวทนากุเมันก็ได้ทีละครั้งทีละหน่วยเช่นเวลาที่เรามีสุขเวทนาเราก็จะไม่ได้มีทุกข์หรือมีอาทุกขมสุขได้เวลาที่เราเสวยทุกขเวทนาอยู่เราก็ไม่ได้ว่าจะมีสุขหรือมีอาทุกขมสุขได้ เวลาที่เราสวยอาทุกขมัสุขอยู่เราก็ไม่ใช่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์ได้มันได้ตีละอยาได้ตีละหน่วยคือเพรมันเพลินไปสวยไปอยู่ไงในจังวที่สวยไปอยู่มันก็ไม่เห็นอย่างอื่นมันก็เลยมึนๆไปว่าเหตุปัจจัย ม, มันเป็นคนละอันคนละเงื่อนไขแต่ด้วยความที่วันไล่เรียงมาถูกตั้งแต่ไอ้เจ้าตัวตัณหาแล้วตัณหามีสามอย่างอ๋อมันอยากแบบไม่อยากก็มีอ่ะมีแบบไม่ได้ก็มีอ่ะ มีทั้งวิภาวะตัาภาวะตัาซึ่งมันมีเหตุมาจากไอ้เจ้าสุขหรือทุกข์ที่วกกันด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้ที่ว่าเจ้าสุขหรือทุกข์เวตนานี่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเหตุปัจจัยมันต้องด้วยกันนะเหตุปัจจัยมันต้องด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรในที่นี้เราฟังแล้วเราสังเกตเห็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญนั้นก็คือผัสสะนั่นเองท่านผู้ฟังเพราะมีผัสสะ จึงมีเวทนาภาษาอะไรนะถ้ามีภาษาันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่เป็นสุกไงมันก็มีสุขเวทนาไงท่านสําหรับบางคนที่ชอบกินอาหารรสจัดถ้าได้กินอาหารอะไรมันเค็มๆหวานๆเนี่ยก็จะเป็นสุขแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบกินอาหารรสจัดลักษณะลิ้นมันเป็นอย่างนี้มีตอมรับความรู้สึกเยอะโอ้กินอาหารรสจัดนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ ชอบกินอาหารรสจืดๆพอมีอาหารรสจัดมามันกลายเป็นภัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์สุปทุกข์เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะอะไรที่เหมือนกันนั้นคือภัสสะง่ายผัสสะเนี่ยจึงเป็นเหตุดูก่อนนะคิดดูดีต้องดับด้วยนะเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมนี่ก็ขาหนึ่ง ดับไปไม่มีได้เปล่าเออถ้าภาษาดับไปไอ้เจ้าสุรือทุธมันดับไปไหมดับไปเช็คดูครอสเช็คดูตรวจสอบตรวจทานดูทั้งขาเกิดและขาดับเออดับมันหายไหมอ่ะสมมุติถาไม่มีอาหารรสจัดไฟคือความรู้สึกนั้นมันจะดับไหมเอาก็แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเอาเชื่อออกไปไฟมันก็ดับ ถ้กคุณเอาภาษาออกไปเวทนาก็ดับเอออย่างมีเวิร์กใช่ไรตรองก็ไรกรน้วยปัญญาจึงพบบาปเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีความรู้สึกคือเวทนาไอ้เจ้าภาษาน้่มันคืออะไรที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นมันคือการกระทบมันต้องมีการกระทบที่ถูกต้องตามช่องทางหมายความว่าถ้า อาหารรสจัดๆอย่างที่ว่าเนี่นะมันมากระทบโดนหน้าผากเราหรือโดนหูเราถามว่าท่าผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันเค็มมันเปรี้ยว ม, มันเผ็ดอะไรอย่างนี้เปล่าโห้ยก็ไม่แล้วมันก็จะรู้สึกมันร้อนหรือมันเย็นต่างาก็บอว่าอย่างนั้นอเพราะนั่นมันช่องทางกายไงไม่ใช่ช่องทางลิ้นช่องทางลิ้นต่างหากเท่านั้นที่ถึงจะรับรู้รสอาหารว่า มีรถจันทร์หรือรถจืดส่วนแสงสว่างนะถ้ามีคนเอาไฟฉายมาฉายเข้าในรูจมูกหรือรูหูเราเวลาเราไปหาหมอจมูกหมอหูนี่เขาก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปนี่ได้เห็นภาพเห็นแสงอะไรไหมอุ้ยก็ไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็นหูไงหูไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ไวรับแสงมันจึงต้องมีการกระทบกันให้มันถูกช่องทางกันมา ลักษณะของชอบผัสสะนี่จะเป็นการกระทบจึงเป็นที่ว่าต้องตรงตามอาิจตนะของเขาเสียงมากระทบลิ้นโนจะไม่เกิดผัสสะเสียงต้องกระทบหูจึงจะเกิดผัสสะกลิ้นมากระทบตาโนไม่เกิดผัสสะกลิ้นต้องกระทบจมูกมันจึงจะเกิดผัสสะไอการกระทบตรงเนี้ยนั่นเ ร, เรียกว่าผัสสะมันก็จึงมีผัสสะคือการกระทบแยกไปเลย ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจตรงตามช่องทางของเขาของเขาเราดูสิ่งที่เราเรียกว่า AI นี้ก็ได้ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์มันก็มีกล้องใช่ที่บอกว่าจะรับแสงแต่สมมติว่าเราไปพูดใส่กล้องที่มันไม่มีไมโครโฟนปกติแ้วเขาก็จะติดไมโครโฟนไว้ที่กล้องด้วยเพื่อว่าพูดแล้วก็จะได้ยินเสียงด้วยเลย แต่ถ้ามีแต่กล้องไม่มีไมโครโฟนคุณพูดยังไงไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกแล้วนะที่มันได้ยินมันเห็นภาพได้เพราะมันมีไมโครโฟนมีกล้องถูกปะละ่ะแต่มันจะมาคิดนึกว่าตอบสนองว่าต่ออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้หุ่นยนต์เนี่ยมันจึงไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกหุ่นยนต์เราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มัน ตอบสนองในลักษณะที่เป็นความรู้สึกอ่ะที่ว่าคุณตอบสนองได้ฉลาดได้มีมุกตลกได้เน่เพราะว่าคนาใส่เข้าไปพูดถึงหุ่นยนต์นี้ประวัติต้องการให้เปรียบเทียบส่วนต่างว่ามนุษย์เนี่ยมีช่องทางใจแต่หุ่นยนต์ AI โรบอทพวกนี้ไม่มีช่องทางใจหุ่นยนต์เหล่านั้นก็มีแต่ช่องทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายตามแต่เซนเซอร์ที่เขาติดเข้าไป นี่คือช่องทางของเขาใช่ไหมเปรียบเทียบกลับมาว่ามนุษย์เรามีช่องทางใจด้วยช่องทางใจนั้นคือรับรู้สิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเหล่านี้รวมเรียกว่าธรรมารมเราอย่าเพ่งไปไกลตรงนั้นมันต้องไปอธิบายเรื่องของสลายตนะเหล่านี้เรามาอยู่ในจุดของภัสาะเนี่ก็คือ นอกจากทางกายแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกทางใจด้วยไงถ้ามีความรู้สึกทางใจมันก็จะต้องมีผัสสะทางใจไงมันต้องรับรู้อะไรได้ทางกายกับทางใจต่างกันยังไงอะมาดูคนคนหนึ่งอ่ะคนคนหนึ่งเขาร้องไห้โอเขาร้องไห้ทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิคือร้องไห้ดีใจก็มีร้องไห้เสียใจก็มีใช่ล่ะเราลพังดูแต่ว่าโอเขาน้าตาไหล หน้าตาก็เป็นอย่างนี้พวกที่มันมันบอกไม่ได้ม่านี่นคือทางกายทางใจเราต้องมีเรื่องราวอ่ามันต้องมีภาษาทางใจที่จะบ่งบอกว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์กันแน่เขาทุกข์ใจหรือเขาสุขใจกันแน่เขาสุขใจหรือเขาทุกข์ใจมันก็ต้องมีภาษาทางใจไงคำถามในที่นี้ต่อไปก็คือเพราะอะไรมีอยู่หนอภาษาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัย จึงมีภัสสะไอ้เจ้าภัสสะเนี่ยมันมาได้ไงมันมีได้ไงไอ้เจ้าภัสสะเนี่ยมันดับไปยังไงมันจะไม่มีอยู่ได้เพราะอะไรจะมีหรือจะไม่มีได้ต้องมีให้ปนนามันต้องอาศัยสิ่งเกิดนะเราเกิดก็ต้องดับด้วยใช่ปะละ่ะนี่ละมันจึงจะเป็นธรรมะที่อาศัยกันละกันจึงเกิขึ้นคูดึงจบไปแล้วคือเวทนาผัสสะแล้วเจ้าภัสสะละ่ะ นี่คือคู่ต่อไปละทูฟังคู่เนี่ยมันต่อกันต่อกันมันจึงดูเป็นสายแต่มันเป็นคู่หลักการเนี่ยมันเป็นคู่เป็นคู่กระบวนการความคิดของท่านก็ไล่ไปไล่ไปไงคู่แต่ละคู่เนี่ยมันจบไปจบไปมันมาต่อกันต่อกันมันจึงดูเป็นสายขึ้นมาก็เพราะอะไรละ่ะมันถึงจะมีคิดดูทูฝวงลองคิดดู ใช่มันมีการกระทบทางลิ้นได้มันก็ต้องมีลิ้นมีรถไงมันมีการกระทบทางหูได้ถ้าไม่มีเสียงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะอย่างเช่นลาฟังปิดลำโพงไปหรือปิดหูไปถ้าไม่มีเสียงมันก็ไม่มีผัสสะทางหูถ้าไม่มีหูแต่มีเสียงมันก็ไม่มีผัสสะทางเสียงมันจึง้องอาศัยช่องทางตรงนี้ของเก่าแต่ละช่องทางช่องทาง ให้ตรงกันตรงกันมันจึงจะมากระตบกันได้ไอ้ช่องทางตรงนี้คืออายตนะอายตนะตรงนี้มีหช่องทางเขาเรียกว่าเป็นสลายตนะสลายตนะหมายถึงอายตนะภายนอกและภายในคู่กันคู่กันหูก็ต้องเสียงหูจะไปคู่กับลิ้นหูจะไปคู่กับรถไม่ได้ก็ลิ้นล่ะ สละไปสลับมานะกลิ่นล่ะมันก็ต้องคู่กับจมูกกลิ่นจะไปคู่กับรถจะไปคู่กับตาไม่ได้มันคนหลาอย่างกันตาล่ะตามันก็ต้องคู่กับแสงคู่กับภาพคู่กับรูปตามันจะไปคู่กับกลิ่นคนเห็นกลิ่นได้ที่ไหนมีเห็นก็เห็นแต่ควันควันบางควันก็ไม่มีกลิ่นควันบางควันดูแล้วจริงมันเป็นเมฆกลิก่นอีกแบบหนึง่ง ตามันจะไม่คู่กับควันและไม่คู่กับกลิ่นละหนึที่แน่ๆคือตาไม่ได้คู่กับยายด้วยแต่ตาในที่นี้คือตาเราเนี่ยตาเนี่ยมันคู่กับภาพคู่กับแสงการจัดคู่ให้ถูกต้องมันจึงได้คู่ทั้งภายในและภายนอกด้วยได้คู่ของเขาและจัดหมวดหมู่ได้ด้วยนี่คือเริ่มแจกแจงรอบข้อพรัะกลุ่มด้วยนะเพระาะว่าถ้า เราไม่จัดหมวดหมู่เอหูนี่ก็คู่กับรสอาหารคือมันคู่กันไม่ได้เลยไม่ว่าจะทั้งทางไหนเอ้แต่ว่าหูมันยังพอคู่กับลิ้นคู่กับตาได้เออเพราะมันอยู่เป็นส่วนที่เป็นภายในตัวของเราเอออย่างเงี้ยมันจึงมีการจัดกลุ่มได้ว่าเป็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะภายในคืออวัยวะของเราน่ น, น่ๆระวัง ้าหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนที่เป็นกายคือห้าอย่างแรกและส่วนที่เป็นใจนั้นคือสิ่งที่เป็นนาธรรม ท, ทั้งหลายนามธรรมภายในก็มีนามธรรมภายนอกก็มีนามธรรมภายในก็คือใจนามธรรมภายนอกก็คือธรรมารมณ์ทั้งหลายส่วนที่เป็นร่างกายของเราปริวาร ย, ยตนะภายในคือ กายลิ้นจ ม, มูกหูตากายลิ้นจมูกหูตาตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือร่างกายของเราเป็นส่วนที่เป็นรูปร่างของเราเป็นรูปหรือว่าอายตนะภายในมันจะต้องจับคูก่กันกับสิ่งที่เป็นอนายตนะภายนอกสิ่งที่ตาไปรับรู้ได้คือรูปเแ่านั้นเราเรียกนิวาเป็นอนายตนะภายนอกสิ่งที่หูไปรับรู้ได้นี่คือเสียงเแ่านั้น เราเรียกนวอิจตนาภายนอกสิ่งที่จมูกไปรับรู้ได้คือกลิ่นเท่านั้นเป็นภาพเป็นเสียงไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นอิจตนาภายนอกเหมือนกันแต่มันไม่คู่กันกับหูกลิ่นเป็นอิจตนาภายนอกจัดมวหมู่คู่กันกับแสงคู่กันกับรูปคู่กันกับเสียงได้แต่เป็นช่องทางของจมูกนะคนเรามันจะฉลาดได้มันต้องงงมาก่อน งง ง, งมึนมนแล้วแก้ความงงแก้ความมึนได้ความฉลาดปรกากฏทันทีท่านฟังสับสนสับสนอยู่แล้วแก้ความสับสนได้เนี่ยมันคือฉลาดขึ้นมาทันทีไม่ใช่อ <c oughs> ยู่สบายๆแล้วก็ฉลาดขึ้นมามันไม่เป็นนะท่านฟังมันต้องเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้นั่นคือการพัฒนา <towers> นั่นคือความฉลาดคุณเอาไม่ได้ฉลาดมาจากแบบว่าอยู่ก็ฉลาดขึ้นเลยแต่ไม่ต้องอาศัยความเข้าใจจะเข้าใจได้มันต้องอาศัยคําถาม คำถามมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องอาศัยการบอกกันฟังนั่นแหละฟังให้ถูกฟังให้ดีมีคำถามจุดนั้นจุดนี้ความเข้าใจมันเกิดแล้วปัญญามันก็มีขึ้นมาไงตอนนี้เรากําลังทําปัญญาให้เกิดความเข้าใจในข้อของสัญญาตนะที่ว่าพราะมีสัญญาตนะคืออิยตนะภายนอกภายในมากระทบกันจะมีลิ้นตองกู่กับรถมันจึงมีการกระทบกันนั่นคือปัญะ ลิ้นจัดหมุนหมูเป็นอิจตนะภายในรสอาหารจัดหมุนหมูเป็นอิจตนะภายนอกลิ้นด้วยกายด้วยกายเป็นอิจตนะภายในคู่กันกันกบผลทัพพระให้มาสัมผัสกระทบกันได้ผลทัพทพะนั้นหมายถึงกุณาภูมิความร้อนหรือความเย็นความหนาวหรือความอุน่น ยังรวมถึงสัมผัสต่างๆที่เป็นทางกายอาจจะเป็นคันเป็นรู้สึกละเอียดรู้สึกหยาบความกระด้างความลื่นสัมผัสทางกายพวกนี้หรือว่าผลตาปากกัปปเจ้าพยายามแยกอนุโมังโดยเห็นอายตนะพายนอกภายในเนี่ยนะเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ที่ว่าอายตนะภายนอกของส่วนที่เป็นน้ํา ก็มีอยายตนะภายในของส่วนที่เป็นนามก็มีที่เราพูดมาเมื่อสักครู่คืออยายตนะภายนอกภายในของส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดเป็นกายทั้งหมดใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณนี่คือข้างนอกของส่วนที่เป็นรูปตาหูจมูกลิ้นและกายนี่คืออยายตนะภายในของส่วนที่เป็นรูปหรือกายของเรา ส่วนที่เป็นใจล่ะส่วนที่เป็นน้ำล่ะก็ส่วนที่เป็นใจนี่มันคืออิจตนะภายในส่วนที่เป็นธรมรมารมม์นี่คืออิจตนะภายนอกของนามทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นนามมารมเหมือนกันคู่กันแต่เป็นภายในเรียกว่าใจที่มีคําพูดว่าทุกใจกลุ่มใจปวดใจพวกที่มารวมลงอยู่ในใจนั่นหมดเนี่ย มันก็จะเป็นตัวเราของเราถึงเป็นลักษณะที่ว่าเรามีสิ่งที่เป็นน้ำอยู่ในร่างกายของเราด้วยนั่นคือใจสิ่งที่เป็นน้ำที่ไม่ได้ใช่เป็นของเรานะแต่เรารับรู้ได้นั่นคือธรรมารมเหมือนกับน้าไอเจ้ากลิ่นเนี่ยกลิ่นนั้นไม่ใช่ตัวเรานะแสงภาพข้างนอกไม่ใช่ตัวเราใช่ป่ะรสอาหารสัมผัสทั้งนอกเนี่ยแต่เรารับรู้ได้ผ่านทางไอิสะภายในไง ความคิดนึกต่างๆพวกนีมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นอายตนะภายนอกนะแต่เรารับรู้ถึงสิ่งที่เป็นนามภายนอกนั้นได้ด้วยใจนี่นะนั่นรวมเรียกว่าสลายตนะบูฟังวันนี้ถ้าท่านฟังไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ปะอย่างน้อยขอให้เข้าใจอันเนี้ยอันเดียวก็พอละอนะอนะไม่เอามากเข้าใจว่า อายตนะภายนอกภายในมันไม่เหมือนกันอายตนะภายนอกส่วนที่เป็นรูปเป็นกายก็ห้าอย่างแรกอายตนะภายนอกภายในส่วนที่เป็นนามก็อีกอย่างสุดท้ายภายนอกคือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นเรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านทาง ใจนั่นคืออยายตนะภายในอยนายตนะภายในคือใจก็เหมือนกับอยายตนะภายในคือกายคือลิ้นคือจ ม, มกูกคือหูคือตาเหมือนกันตารับแสงรับภาพแสงภาพไม่อยู่ที่ตัวเราอยู่ข้างนอกลิ้นอยู่ข้างนอกไม่อยู่ที่ตัวเราอะไรรับจ ม, มกูก ความคิดนึกเหมือนกันเป็นเป็นของนอกเป็นสิ่งที่เป็นนามแต่มันอยู่ข้างนอกใครเป็นตัวรับจ่ายไงแค่นี้แหละไม่ยากใช่ไหมเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัญญาะเพราะมีสัยตนะมันจึงมีผัะจ้มีการกระทบได้ตามช่องทางของเขาเดาไปเช็คดูครอสเช็คดูตรวจสอบตรวจทานดูอีกทีว่าถ้าสัญญาดับไปเนี่ยไอ้เจ้าพระสมันจะดับไปไหมอ่ะ ก็ถ้าไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเราจะไปรับรู้ผ่านทางช่องทางใจได้ไหมล่ะคือไม่ได้เว่ยกาถ้ามันไม่มีความคิดเราจะไปรับรู้อะไรมันก็ไม่ได้ก็ถ้าไม่มีกลิ่นเราจะได้กลิ่นไหมล่ะถึงแม้จะมีจมูกก็ตามอ่ะเอออิจตนาภายนอกไม่มีถ้ามีแต่อิจตนาภายในอ้าวภาษามันก็ไม่เกิดเออถูกอยู่หรือถ้าคนหูหนวกเนี่ยคนหูหนวกไม่มีหูแต่ว่ามีเสียงดังตึ้มตึ้มตนี่ คนหหนวก็จะได้ยินบ้ะงเมื่อ เ, เขาไม่ได้ยินเออมันก็ไม่มีภาษาไงไม่มีภาษานั้นไม่เกิดเออถูกต้องอยู่นะถูกต้องอยู่เพราะสลยะตนะดับไปภาษาจึงดับถ้าไม่มีสลยะตนะภาษาก็ไม่มีฟังเขาท่าอยู่อันเนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำถามต่อไปก็คือพระมีอะไรเป็นปจัจจัยจึงมีสลยะตนะ พระอะไรมีสเยตนาจึงมีพระอะไรไม่มีสเลตนะจึงจะไม่มีพระอะไรดับไปสเลตนาจึงจะดับไปคิดสี่านคิดคิดคิดคิดคิดตรายตรองใกรกรวนด้วยปัญญาพระบริชาคของเราต้ตามเป็นบริษัทคิดได้ดังนี้หวังว่าจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในรชาญมนุษย์ที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูนี่ ก็มีสองอย่างนี้เท่านั้นเอาแล้วถ้าบอกว่าบางคนมีความสามารถพิเศษก็รู้ได้ว่าเออมีเทวดามีสัตว์นรกสัตว์ประเภทต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดก็มีสเลตนะมีเอเยตนะภายในภายนอกมีภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้ยได้หมดอะไอ้เจ้าภายนอกภายใ น, ย น, ยนสเลตนะตรงนี้เราเน้นตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าเราแบ่งซ้ายขวาแนละ้วทุกฝั่งนะเราเรียงกันให้ถูกต้องนิดหนึ่ง ว่าเอาด้านซ้ายเป็นอเยตนาภายนอกทั้งหมดเอาด้านขวาเป็นอเยตนาภายในทั้งหมดก็เรียงไล่ลงมาตอนด้านขวาก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้านซ้ายก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลลัปะและธรรมารมณ์ใช่ไหมแบ่งอย่างนี้ซ้ายขวานอกในรวมส2องอย่างนี้เปยนว่าสลายตนะทีนี้มันเกิดจากอะไรล มันมีมาได้ยังไงล่ะระบบของตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของกายใจนามรูปฉันจึงคิดได้ดังนี้ท่านฟังว่าที่มันก็จริงๆมันก็สุดแค่นี้แหละนะทุกคนสัตว์ทุกตัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าจะดูอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งจากอริยธรรภายนอกภายในมองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นนามรูปได้นะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ คือจับต้องได้มันคือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้มันคือส่วนที่เป็น น, น, น, นมามดั น, น, น, น, นก็จึงคิดได้ดังนี้ท่านฟังว่าจะแบ่งเป็นนามรูปก็ได้นะเออจะเรียกว่าเป็นนามเป็ น, นรูปก็ได้นารูปรวมกันแล้วมันก็จึงได้เป็นลนักษณะสลายตนะออกมามีนามรูปมีรูปนามมันก็จึงส่วนที่เป็นรูปคือตาหูจมูกรงกาย รูปเสียงกลิ่นรสพลปะส่วนที่เป็นนามก็คือใจแล้วก็ธรรมารมคำว่านามรูปในที่นี้ตั้หวังหมายถึงเวลาเราจะเอาอะไรมาประกอบกันให้เกิดเป็นอายตนะภายนอกรหรือภายในขึ้นเนี่ยมันต้องใช้วัตถุ ด, ดิบคือเรื่องของรูปและนามไงวัตถุ ด, ดิบที่เอามาประกอบกันในที่นี้เรกากำลังพูดถึงคนคนหนึ่ง สุนสตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งที่มันจะเกิดมาได้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันต้องมีส่วนประกอบมาจากน้ำและรูปทีนี้ถ้าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำมันก็จะมีกระบวนการเกิดแบบสัตว์น้ำเกิดมาก็ต้องอาศัยน้ำและรูปจึงเป็นปลาที่มีตาอย่างปลามีหูอย่างปลาปลามีหูหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นใบหูของมัน แต่นันวิทยาศาสตร์บอกว่ามันก็ใช้คลีบมันนั่นแหละมีเส้นประสาทรับเสียงได้เอากว่ากันตามนั้นแต่มันมีใจแน่นอนมันก็ต้องมีวัตถุ ด, ดิบที่จะต้องมาประกอบขึ้นเพื่อที่จะสร้างเป็นอายตนะต่างๆเหล่านัา้นขึ้นมาวัตถุ ด, ดิบที่ว่านั้นถ้าเป็นทางกายเราก็เรียกว่ารูปถ้าเป็นทางใจมันก็คือนามนั่นเองท่านจึงคิดได้ดังนี้ว่า ถ้ามีวัตถุดิบคือน้าและรูปจึงมีสเลตนะออกมาได้ดูอย่างคันมารดาของเราทฝังคนเรานี่นะตัวธบุฟังตัวข้าพเจ้าแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองคลอดออกจากคันมารดาเนี่คันมารดาเนี่ยทังท่านมาได้ยงไงอ่ะคือคันมารดาข้างในถ้าว่าเป็นโรงงานนี่มันจะผลิตมันก็ต้องมีวัตถุดิบอะ จะผลิตเด็กออกมาสักคนหนึ่งอยู่ในคันวัตถุดิบก็คืออาหารที่กินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปมันก็คือรูปเงมีรู ป, มรปแม่ต้องกินอาหารสุดที่เป็นน้ำละ่ะ อ, อมันต้องมีด้วยนะคือมันไม่เหมือนกับโรงงานผลิตพวกหุ่นยนต์โรบอทแล้วก็กใส่ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมเข้าไปซอฟต์แวร์โปรแกรมเวลาคุณผลิตพวกนี้มันก็ต้องมีรูป อาศัยฮาร์ดแวร์อาศัยซอฟต์แวร์ใช่ไหมซอฟต์แวร์ก็คือรูปเลยนะซอฟต์แวร์ไม่ได้ว่าจัดเป็นนามนะ้องฟังนะเพราะซอฟต์แวร์รามันจะอาศัยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยฮาร์ดดิสต์อาศัย SSD อาศัยโปรแกรมมันถึงจะเห็นได้ไม่ต้องมีที่อยู่ของมันจะจัดว่ายังเป็นนามไม่ใช่แต่มันเป็นรูปของมันอยู่แต่เป็นรูปที่ละเอียดรูปละเอียดไม่จัดมาเป็นนามนะรูปละเอียดเป็นยังไงเอาดูสาร ย, ยตะนะเอา เทวดาอย่างเงี้ยเปรตอย่างเงี้ยอสุรกายสัรวรกพวกนี้มีรูปละเอียดรูปละเอียดก็คือเป็นพวกแสงไงแสงเนี่ยเป็นรูปอยู่ในอนุภาคนะเพราะมันเป็นอนุภาคเป็นคลื่นที่คุณสามารถตรวจวัดได้แต่มันเป็นรูปละเอียดคลื่นบางอย่างอนุภาคบางอย่างเช่นอนุภาคโฟตอนเอ่อรังสีเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยมันทะลุทะลวงผ่านรูปต่างๆได้ มันเรียกว่าเป็นรูปละเอียดซึ่งรูปละเอียดนีไม่ใช่น้ำมีกายละเอียดไม่ใช่ว่าไม่มีกายมีกายโยแต่มันละเอียดไม่ใช่ว่าเป็นน้าเราไม่กวนอะไรอย่างกันแต่เป็นกายที่ละเอียดกายละเอียดมันก็คือรูปละเอียดเรื่องของ AI เรื่องของโรบอทเราค่อยว่ากันแล้กันนะที่สาคัญตรงนี้ก่อนก็คือว่าเวลาเราจะสร้าง สรายจตนาขึ้นมาได้คุณต้องมีวัตถุ ด, ดิบมาดาก็กินข้าวกินน้ำก็ไปกินข้าวกินน้ำพวกนี้คือรูปคือฮาร์ดแวร์ก็สร้างผลิตออกมาเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมาโดยอาศัยไข่ของแม่แล้วก็เชื้อของพ่อผสมแบ่งตัวกันแล้วมีคันดับป้าก็าไปอาศัยอยู่มันจึงเกิดพัฒนาแบ่งเซลล์ขึ้นมามีตามีหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแบบ สภาวะอย่างนี้คือเป็นมนุษย์ไงถ้าเป็นสุนัข ก, ก็เกิดในครันแม่ของสุนัขถ้าเป็นนกก็เกิดในไข่ถ้าเป็นปลาก็เกิดในน้ําถ้าเป็นมแมลงมันก็เกิดในที่มืดของโศกโคว่ากันไปถ้าเป็นเทวดาล่ะเทวดาพวกนี้ไม่ได้อาศัยครันเกิดสัตวนรกเปรตไม่ได้อาศัยคันเกิดพวกเหล่านี้เป็นรูปละเอียด ลักษณะการเกิดมีของพวกรูปละเอียดนั้นก็จะผุดเกิดขึ้นเลยเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการผุดเกิดขึ้นเป็นโอปาติกะผุดเกิดขึ้นเป็นโอปาติกะมันใช้รูปละเอียดไม่ต้องอาศัยคันแต่มันต้องมีนามด้วยงไนมันถึงจะมีสารยตนาได้เวลานามก็ต้องมีรูปก็ต้องมีนามในที่นี้ก็คือส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นธรรมารมมีนามรูปเป็นวัตถุดิบ จึงสามารถผลิตออกมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเจิงเลือกปุถะและธรรมรม์ได้เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสเลตนะเดไปเช็คก่อนนะ้เดาไปเช็คถ้าไม่มีนามรูปอ่ะมันจะมีสเลตนะขึ้นมาได้ไหมถ้านามรูปดับไปสเลตนะจะดับไปไหมก็ามทางวัตถุติมันไม่มีใช่ไหมล่ะมันจะไปผลิตสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาได้ไงไม่ได้ ถ้าคอาสิ่งที่เป็นรูปทั้งหมดเอาฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเอาเซลล์ทั้งหมดออกไปโอ้ยตาหูจูบลิ่งกายไม่ก็หายไปเลยใช่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสเลสตนะจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยนามรูปจึงเกิดขึ้นเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสเลสตนะเพราะนามรูปดับไปสเลสตนะก็จะดับไปฟังต่อมาอีกทันคิดก็ใจกรนต่อไปแล้วนามรูปเนี่ยมันมีเพราะอะไร พระอะไรมีนามรูปจึงมีพระอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีตรงนี้นะมันเป็นคู่พิเศษตัมฟังเป็นคู่พิเศษเราคิดตามแบบธรรมดากันก่อนพระอะไรมีนามรูปจึงมีนามรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของแข็งอ่ะคือรูปเป็นสิ่งที่เป็นนา้าอ่ะคือเป็นน้าคือเป็นนามธรรมอ่ะไม่ใช่รูปละเอียดนะรูปละเอียดก็แต่ส่วนเป็นของรูป น้ำคือน้ำไม่มีรูปเลยเราจะรับรู้ได้ไงว่ามันมีอยู่ให้เจ้าน้ำรูปนี่มันมีอยู่หรือมันไม่มีกันแน่เทนพราสารีบุตรยกอุบัมมาโปมัยเปรียบเทียบดังนี้ว่าเหมือนไม้อ้อสองกรรมพิงกันไม้อ้อกำหนึ่งก็อาศัยไม้อ้ออีกกำหนึ่งจึงตั้งอยู่ได้ เป็นอยเวลาที่เราใช้ไม้พลองลูกเสือหรือเนตรนาลีหรือว่าบางนกนเคยเรียนยุวกาชาดมาก่อนเนี่ยนะใช้ไม้พลองในการค้ำยันกันสาอันขึ้นเป็นโครงของเต็นท์ที่จะสําหรับตั้งขึ้นเก็บของหรือทําอะไรข้างในใช้ไม้พลองสามอันยัดกันอยู่ยันกันอยู่ใส่กันอยู่เอาไม้พลองอันหนึ่งออก ไม้ปลองที่เหลือก็คว่ํำลงด้วยเหมือนกันทีนี้แบบว่ายิ่งยากกว่ากันก็ไปอีคือว่าใช้แค่สองอันท่านปรารสารีบุตรเปรียบเทียบถึงไม้อ้อสองกรรมพิงกันอยู่คือเอาเป็นมัดของไม้อ้อมามัดมัดรวมกันเป็นมัดหนึ่งเราก็มามัดมัดรวมกันเป็นอีกมัดหนึ่งสองมัดมายันกันอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าไม้อ้ออันหนึ่งเอาออกปุ๊บอีกอันหนึ่งก็จะคว่าลง ทันดีตอนที่พระพุทธเจ้ามาคิดถึงเรื่องนามรูปเฮ้ยว่านามรูปนี่มันมีอยู่ได้ไงมันก็มีอยู่ตามภาษาโลกของมันอยู่แล้วไงใช่ไหมละ่ะมันมีวัตถุดิบคือสิ่งที่เป็นกายสิ่งที่เป็นใจสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นนามเออแล้วทำไมคือมันมี น, นี้ได้คือจริงๆแล้วเราก็ไปรับรู้สิ่งนี้ต่างหากเราก็ไปรับรู้สิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงมี อะไรล่ะที่เป็นจุดที่เข้าไปรับรู้อะไรตรองไร้คลวนเพราะมันต้องมีการเกิดแล้วต้องมีการดับนะคือสมการมันเป็นอย่างงี้มากว่าต้องเกิดและต้องดับต้องมีและต้องไม่มีก็มันมีอยู่แล้วจะไปไม่มีได้ไงใช่ปะล่ะนามรูปก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติกอมันอยู่แล้วแต่ที่เราไปรู้ว่ามันมีได้เพราะมันมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปต้นกินอย่างนี้ ทำไมถึงคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าวิญ ญ, ญาณดูฟังเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะดับไม่ได้ไงถ้าไม่มีการรับรู้คือในสิ่งที่เป็นนามรูปเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีอยู่ยจะปฏิเสธว่าไม่มีเนะี่ยมันไม่ได้เพราะมันก็เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซเป็นโลกอยู่ตามธรรมชาติแต่ที่เราไปรับรู้ว่ามันมีเพราะเรามีการรับรู้แต่ถ้าเราไม่มีการรับรู้คือวิญ ญ, ญาณไอช้ชจ่านามรูปนั้นก็มีอยู่ไม่ได้เราอาจจะยกตัวอย่างในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ดูฟังสม ม, ส ม, มติว่าตัวเราออกไปอยู่ที่อวกาศนอกโลกเลยนะ แบบว่าพิชแบล็กไปหมดเลยคือมืดดำไปหมดเลยทุกอย่างทุกทิศทางนี่มีแต่ความมืดความดำไปหมดเลยก็เลยเป็นพิชแบล็กคือความดำชนิดที่ว่าสุดลูกหูลูกตาไปในทุกทิศทางตัวเราเออกไปนอ ก, นอกตัวเราก็ไม่เห็นแขนไม่เห็นขาไม่เห็นตัวของเราด้วยเหมือนอยู่ในห้องที่มืดสนิทเลยนะอยู่น้องที่มืดสนิทอยู่น้องที่มืดสนิทในที่นี้คืออยู่ในอวากาศลอยตัวอยู่นี่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราเว้เราจะไปรู้ได้ไงถ้ามันไม่มีแสงใช่ปะล่ะมันก็ต้องมีแสงมากระทบเราจึงจะรู้ได้ว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราหรือเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันมีแสงอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าถ้ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเพราะว่าการที่จะรู้ว่ามีแสงได้ก็ต้องอาศัยวัตถุสะท้อนแสงนั้นเข้าสู่ตาของเราเช่นว่า ถ้าข้างหน้าเรามีไม้แผ่นหนึ่งอยู่แต่มันมืดหมดเลยนะโอ้ไม่ท้องพูดถึงว่าไม้เลยมือเท้าเราก็ยังไม่เห็นมืดหมดเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันอาจจะมีอยู่ก็ได้สมมุติว่ามันมีก็แล้วกันแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันไม่มีแสงเราจึงไม่มีการรับรู้ชิ้นไม้นั้นว่าอยู่หน้าเราหรือถ้ามันไม่มีชิ้นไม้อะไเลยมันมืดหมดเลยในอวกาศนี้มืดหมดเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีแสงนะทุกท่าน เขาวกวาดแขงคว้างกว้างใหญ่ไม่มีวัตถุ ด, ดิบอะไรเลยอยู่บริเวณนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีแสงแต่แสงมันวิ่งผ่านไปเลยไม่ได้เข้ามากระทบตาเรารังสีของแสงส่งไปผ่านไปอันไหนที่มันไม่ได้เข้าตาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีคือมันอาจจะมีแสงอยู่ก็ได้แต่มันไม่ได้มาสะท้อนเข้าตาเร า, าเราจึงไม่รู้ว่ามันมีอันหนึ่งมีอยู่ แต่ถ้าไม่มีอีกอันหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีนั่นคือมีแสงแต่ไม่มีวัตถุเราก็จะไม่เห็นแสงด้วยอีกอันหนึ่งมีอยู่แต่ถ้าไม่มีอีกอันหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าอันหนึ่งนั้นมีคือมีแผ่นไม้มีวัตถุอยู่แต่ถ้าไม่มีแสงเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีแสงและวัตถุคือแผ่นไม้จึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เหมือนไม้อ้อสองกมปิงกันอยู่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองที่ทผู้ฟังต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เข้าใจสัปดาห์หน้าทุกฝังเรามาติดตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในตอนที่สีที่กัะเจ้าจะอธิบายย้ำเรื่องอุปมานี้อีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ที่สำคัญมากที่มันกลับกันไปกลับกันมาได้เพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูป เพราะวิ ญ, ญญาณดับไปนามรูปจึงดับไปเพราะนามรูปดับไปวิญญาณจึงดับไปในช่วงของได้ร่มบทนั้นจะมาพบกับตะบูฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีหถึง6กโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนา ที่ปัญญา o r g p-a-n-y-a.org กพระเจาประมาฮาไพบูร์อภิปุนโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จจริญป่อณ